การเรียนถามพระอาจารย์โยมมีข้อสงสัยเรื่องที่เข้าใจผิดเรื่องบรรญานเกิดหมุนเวียนเกิดตายแล้วก็หมุน เปรียบเหมือนฟองน้ําของฝนที่ตกดวงนึงเกิดขึ้นแตกหูจมูกลิ้นกาย คือกรรมเก่าของคนเราและจิตวิญญาณผู้รู้มีความหมายเหมือนจริงๆอะไรเป็น แต่เราไปคิดเองว่าอ๋อความจําเป็นเราเรามีความจําความจํามีตนในขันธ์ 5 เรารู้มั้ยขณะที่เรารู้ลมหายใจเข้าออกอยู่เนี่ยมันจะไปเกาะสัญญาหรือสังขารความคิดข้างจริงๆมันไม่มี ใช่มั้ยมีมั้ยสาติอืมอ๋ออันนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องของนะไม่ <c oughs> <c oughs> ตำเหน่งเลยโมคขบุลลุนะใครสอนเธอว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดนะพุทธเจ้าเรียกภิกษุมา <c oughs> บอกทําไมจําได้มันไม่ได้จําได้หรอกวิญญาณมันไปไปเกาะเองถ้ามันไม่ไปเกาะสัญญามันก็ไม่มีสัญญามันก็ไม่จํามันก็ไปปรุงแต่งแต่พอมันไปเกาะสัญญามันก็เหมือนว่ามันจําได้นะวิญญาณที่ไปเกาะอารมณ์ก็ดวงนึงเกาะแล้ว เสร็จแล้วก็ไปก่อนอันนี้เสร็จแล้วก็มาก่อนอันนี้โคละดวงกัน เหมือนฟองน้ําอ่ะฝนที่ตกลงมาบนผิวน้ําแล้วเกิดฟองอ่ะป๊อบแป๊บป๊อบแป๊บป๊อบแป๊บหยิบเต็มไปหมดเลยมั้ยเกิดดับเกิด จิตสิ่งนี้ก็มีในความรู้ของเราเราคิดว่าเรารู้แต่เราไม่มีนี้ที่รู้อารมณ์นี้ขึ้นมาสิ่งนี้ก็มีในความรู้ของ <c oughs> ทรงแสดงแล้วว่าวิญญาณนี้นี่แหละย่อมแล่นไปย่อมท่องเที่ยวไปหาใช้สิ่งอื่นไม่ดังนี้นะถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าพระองค์ย่อมรู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มี แต่พระองค์ผู้เจริญนั่นคือสภาพที่เป็นผู้ เพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยไอ้ความรู้สึกว่ามีอะไรเก็บกดไว้เนี่ยมันไม่มีหรอกเพราะๆเนี่ยมันไม่ ถ้าเรามองอารมณ์ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเนื้อหา ถ้าเว้นจากเหตุแล้วเนี่ยการเกิดขึ้นแห่งวิญญาณไม่ได้มีรู้ แสงแดดส่องเข้าสาวกบอกแล้วแสงจะปรากฏที่ไหนปรากฏที่ฝาเรือนด้านทิศตะวันตกนี่ และถ้าในโลกกถาท่านนี้ไม่มีวัตถุธาตุเลยมีแต่แสง <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าเว้นจากเหตุคือรูปนามไม่มีแล้วการปรากฏขึ้นของวิญญาณจะมีมั้ย โมคขบุรุษเมื่อเป็นอย่างนั้นเธอชื่อว่าย่อมกล่าวตู ยังพอจะโอ้โหจะไล่ออกเห็นมั้ยนี่คือลักษณะ 62 นะใครมีมิจฉาทิฏฐิ เมื่อภิกษุทูลอย่างนี้แล้วภิกษุสาติเขวัตถบุตรก็จริงๆต้องรีบกลับมาขอ <c oughs> ใครเนี่ยบรรลือศีนาทคือพูดขึ้นมาพูดออกมาโดนมามาเอ๊ะนี่ไม่ใช่คําพูดพุทธเจ้านี่เพราะ เพราะฉะนั้นนั่นน่ะโอ้โหอาตมาเลยมันได้ภิกษุในครั้งที่มีการต้องระวังคําพูดมากนะนะเพราะฉะนั้นเวลาเค้าพูดมาเค้าต้องพูดคําไกลเค้าต้องพูดคําพระพุทธเจ้า อารมณ์นี้รับรู้อารมณ์นี้รับรู้เนี่ยมันคนละดวงกันแต่เนื่องจากมันรวดเร็วมากนะ <c oughs> นะหลงกายดีกว่าหลงจิตถ้าหลงจิตแล้วเนี่ยยาวเลยนะแต่หลงกายเนี่ยกายยังแตกทําลายให้เราเห็นได้บ้างนะ เดี๋ยวรู้กาลเอ๊ะจะเปลี่ยนเป็นรู้อดีตเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นรู้อนาคตเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นรู้สุขทุกข์เปลี่ยนๆเลยนะ ค่าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ใครเล่าย่อมผัสสะนึงบอกก็ใครเล่าย่อมรู้สึกหมดนะไปดู เราย่อมไม่กล่าวว่าบุคคลย่อมผัสสะดังนี้นะท่านย่อมไม่กล่าวว่าบุคคลย่อมผัสสะ <c oughs> เมื่อผู้ใดจะพึงถามเราผู้ไม่ได้กล่าวอย่างนั้นเช่นนี้ว่าผัสสะมีเพราะ คำเฉลยที่ควรเฉลยในปัญหาข้อ ไหนความยึดถือจากอะไรเพราะมีความอยากละลอกละลอกละลอกไปเรื่อยๆ นี่แหละที่เรียกว่ากฎอิทัปปัจจยตาเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็น แม้ถึงบอกให้ท่องกฎอิทัปปัจจยตาไงอิมัสสมิงสติอิทังโหติเมื่อสิ่งนี้อืม รถยนต์ของคนอื่นพังหายยอมทุกข์มั้ยไม่ทุกข์ถ้า